ทีนี้ถ้าพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือการขยายนามรูปโดยประการต่างๆใช่ั้มขยายนามกับขยายรูปโดยประการต่างๆทีนี้ถ้าย่อ ก, ก็คือธาตุธาตุหกธาตุหกนี่เป็นกรรมฐานที่สมัยพุทธกาลเ้าชอบเจริญกันมากนะคือสาธยายปฐวีธาตุยี่สิบอาโปธาตุสิบสองเตโชธาตุสี่วายโยธาตุหกอากาศธาตุอากา ศ, ากาศเป็นยังไง ก็คือถ้าไม่มีช so like ่องเหล่านี้นะเช่นถ้าไม่มีช่องจมูกหายใจได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีช่องช่องของลําไส้นะการบริโภคอาหารจะเป็นไปได้ไหมก็อาศัยช่องทั้งหลายแม้กระทั่งหลอดเลือดเนี่ยนะเส้นเลือดเนี่ยเพราะมันมีช่องอยู่ข้างในอ่ะเส้นเลือดมันจึงมันจึงไปได้เพราะมีเส้นเพราะมีช่องว่างเรียกว่าอากาศสัมผัสแต่เขามีอากาศสัมผัเนี่ยนะเช่นช่องหูช่องตากช่องจมูกช่อง ทางเดินอาหารช่องช่องว่างระหว่างตามที่ต่างๆนี่เรียกว่าอากาศสธาติพวกนี้อ่านะปฏิวีอาโปเตโชวาโยธาประชมกันดีเรียกว่าอะไรตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างเลนบ้างกายบ้างใจบ้างเมื่อมีตาก็ตามสูตรใช่ไหมเพราะปกติเงื่อนไขธรรมดานะที่ใดมีปฏิวีอาโปเตโชที่นั่นมี สีมีกลิ่นมีรสมีโอชาอันนี้แน่นอนทันเมื่อมีตาครับมีสีจากครูวิญญาณก็เกิดมีหูถ้าพวกปฏิวีอาโปเตโชมันกระทบกันเมื่อไหร่ก็เกิดเสียงมีหูมีเสียงก็เกิดโสตวิญญาณก็มีกลิ่นอยู่ในตัวมีจมูกมีกลิ่นก็เกิดาณะวิญญาณมีลิ้นในนี้ก็มีรสก็เกิด เชี่ยวหาวิญญาณถ้ามีกายปฐวีอเตโชวาโยก็เป็นโพธะะอยู่แล้วก็เกิดกายวิญญาณเรื่องราวที่เป็นไปอาศัยเหล่านี้ธรรมที่เหลือก็เป็นอาศัยมโนวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นก็รับรู้มันก็พิจารณา น, นา ม, มาทำถ้ามีวิญญาณที่ใดที่นั่นก็ต้องมีอะไรสูตรเข้ามาอะไรคือมีผัสสะผัสสะก็ตามด้วยสุขเวทนาทุกขเวทนาและ ทกขมสุขเวทนาพวกนี้เป็นปัจจัยที่ดีสําคัญมากต่อการทํากรรมนะก็เพื่ออะไรเพื่อสร้างชาติเหล่านี้ขึ้นมาใหม่จริงๆก็แสดงโดยปริยายต่างๆทงั้งๆที่เรื่องเหล่านี้บอกตรงๆก็คือเรื่องเดียวกันตลอดเลยเรื่องเดียวกันเพียงแต่วิจัยโดยรอบคอบอันผู้ที่วิจัยได้อย่างบริบูรณ์ดีคันเหล่านี้ก็ปีลณะนะวันยังค่ําพิจารณายังไงมันก็เบียดเบียนบีบคัน สพี่เจรณาอย่างไงก็สันตาปะสันดาปอะสันดาบแล้วอะไรมันเผาผลาญมันเร่าร้อนคิดยังไงก็ไม่เห็นความเย็นมาเลยเมื่อคิดยังไงก็เป็นสังคตะคิดยังไงก็เป็นวิปริณามะถ้าเห็นอันนี้ปีลณะคือเห็นสัจจะอะไรทุกขสัจจะถ้าเห็นว่ามันร้อนแสดงว่าเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นมัดที่เย็น เห็นสังฆตาก็แสดง Finnish, ว่าเห็น ส, สมุทัยสมุอที่มันปรุงแต่งอะไรมาปรุงมันอะไรก็สมุทัยมาปรุงแต่งเขาแล้ววิปริณามะนิพพานี้ไม่มีวิปริณามะก็เป็นนิโรธอันถ้าเห็นพิเคราะดีจริงๆก็<า>จะเห็นสัจจะทั้งสี่อย่างนี้แล้วก็ในหน้าอะไรอเอกสารที่เราเรียนไปแล้วอหน้าสามสิบสามข้อ ข้อ45เนี่ยนะก็ดูตามนี้นะสังกะเห็นอะไรเห็นสมุทยัยถูกแล้วนะมันก็ถ้าวิเคราะห์ตามนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อเห็นสัจจะในที่สุดเนี่ยนะก็การจะวิเคราะห์แง่ใดพูดมุมใดก็ตามก็คือการพิจารณาเพื่อให้รู้รู้แจ้งรู้เห็นอริยสัจนั่นเองแต่เป็นการแสดงโดยประการต่างๆโดยนัยยะต่างๆ ทีนี้ผู้ที่ศึกษาพระธรรมบางทีก็ชอบนัยยะอื่นๆอีกนะในัยยะอื่นๆที่ที่พระผู้มีพระภาคแสดงบ่อยๆก็คือพวกไหนพวกกสินถามว่าทำไมจึงยกกสินตามมาเพราะคงคงไม่ลืมใช่ว่าปัทวีอาโปเตโชวายโเนี่ยมีกี่ประเภทปัทวีมีกี่ยอย่างสี่ยอย่างหนึ่งลักษณะ สองสะสมภาระสามอารมณนะสสมมติสมมติเนี่ยลักษณะก็คือสภาวะเฉพาะตัวสะสมภาระก็แบ่งเป็นภายในกับภายนอกสะสมภาระเนี่ยนะสะสมภาระทั้งภายในและภายนอกก็เจริญกสิณได้ภาระภายในหรือภายนอกก็ตาม คนที่สาธยายมีผมเป็นอารมณ์เข้าอะไรกระสินเนรกะสินเนละกระสินถ้ามีฟันเป็นอารมณ์เข้าโอทาตะกะสินสีขาวถ้ามีตาเหลืองเนอหน่อยนะมีอะไรเป็นอารมณ์ปีปีตะกะสินปีตะปีตะกรสินถ้าเห็นเลือดเป็นอารมณ์เราหินตะกระสินเลือดหรือริมฝีปากก็ได้ถึงก็เป็นโลหิตตะกระสินสีแดงใช่ไหมก็ต่อด้วยวันณกสินได้ ปัทวีภายในปัทวีภายนอกก็ต่อด้วยปัทวีกสินก็ได้อาโปกสินเตโชกสินวิญญาณกสินก็ได้วันะกสินได้กสินแปดแล้วใช่ไหมได้กสินแปดแล้วเพราะวิเคราะห์ไปแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งปัทวีอาโปเตโชวายโอกสินสีขาวสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงกสินก็เป็นกสินแปดถ้ากสินพวกนี้ไปก็เป็นอากาศกสินถ้าจิตที่มีอากาศเป็นอารมณ์นั้นก็เป็นวิญญาณกสินก็จะเป็นกสินสิทธ เนี่ยนะก็เป็นกระสินสิบด้วยประการอย่างนี้แหลสสำหรับผู้ที่เขาใฝ่ในการเจริญสมถะต่อไปเพราะเห็นพวกอารมณ์เหล่านี้ก็สามารถอบรมกะสินได้เนี่ยนะแต่ก็ทั้งที่ผู้ที่สั์เจริญอย่างที่ว่าได้นะอาการสามสิบสองต้องแม่นยำผมขนเล็บฟันนั้นไม่ใช่ผมก็สวยคิ้วก็สวยแบบแย่และะ้วทนนี้ต้องไปดูโนนอัมพาปาลีเถรีขถาเมื่อก่อนนะผมงามกว่า น, นี้ เมื่อก่อนคิ้วก็งามแบบนี้ตอนนี้ก็เหมือนอย่างที่เห็นนี่แหละงั้นพิจารณาได้เลยแต่คุยกับโยมบางคนบอกโยมทาไมไม่ถ่ายรูปเขาบอกว่ากลัวที่สุดเลยไม่อยากเห็นรูปตัวเองแล้วนะแต่ว่าพวกนี้ก็เป็นอายตนะใช่ไหมแบ่งเป็นอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนี่มาทบทวนเฉยๆก่อนนะเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในภายนอกถ้ามีเป็นที่เกิดแห่งวิญญาณ ก็เป็นบวกขึ้นมาก็เป็นท่าสิบแปดทีนี้ในบรรดาท่าสิบแปดมันก็มีความเป็นใหญ่เฉพาะตัวเฉพาะตัวไปเช่นตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นเลนเป็นใหญ่ในการรู้รสลิ้มรสเนี่ยนะโภตาภะกายเป็นใหญ่ในการรับกระทบโภตาภะใจก็เป็นใหญ่ในการคิดการรู้อารมณ์เพศหญิงก็เป็นใหญ่ในความเป็นหญิง เพศชายก็เป็นใหญ่ในความเป็นชายแล้วก็ชีวิตก็เป็นใหญ่ในการรักษาถ้ามีกายนี่นะมีกายก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาคือสุขเป็นใหญ่แห่งความสุขเป็นใหญ่ที่เกิดความทุกข์ส่วนทวารที่เหลือตาหูจมูกลิ้นเป็นใหญ่ให้เกิดอุเบกขาถ้ามโนทวารก็เป็นใหญ่ทั้งโสมนัสโทมนัสและ อุเบกาก็ะะจะเป็นอินรี่ห้าเรียกว่าอินรียห้าในบางแห่งเนี่ยอธิบายฟังและเข้าใจง่ายท่านบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจภาวะอินสียสองเนี่ยนะและชีวิตอินรี์เนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นเหตุเป็นเหตุ เ, เห ต, เหตุทำให้มีผลผลที่ออกมาคืออะไรสุข ทุกโสมณัตโทมนัตและอุเบกขาทีนี้ถ้ารังเกียจพวกนี้ขึ้นถ้ารังเกียจทำไงก็เจริญเหตุใหม่เจริญศรัทธาวิรยิยะสเตสมาธิและก็ปัญญาถ้าเจริญได้ผลดีก็เป็นอนัญญตปัญญาสามีทินีเป็นอันยินีเป็น ัญญาตาวินศีเนี่ยนะก็เป็นอินรีอันนี้เป็นอินทรีย์ที่เป็นโลกุ <c oughs> ตระที่เป็นผลของการปฏิบัติเนี่ยนะอันอินทรีย์ที่เป็นทุกอ่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลทีนี้พวกอินทรีย์เหล่านี้ก็แบ่งไปตามภพใช่ไหมแบ่งเป็นอินทรีย์ที่ของการมมาภพอินรีย์ของรูปประภพอินทรีย์ของอารูณประภพในการมาภพอินทรีย์เนี่ยบริบูรณ รูปภพเนี่ยนะตัดคานินซียชิวหินซีกายิญซีโสมนัตสินซีอขออภัยโทษทีอ่ทุกขินซีสุกขินซีและโทมนัตสินรีพรอมนี่เอาอินทรีย์ออกไปเยอะเลยนะทําลายอินรียไปได้หลายตัวอรูปรภพทําลายอะไรอีกทําลายจักขุนซีโสตินซีอันนี้หมดไปนานแล้วก็เหลือแต่มนินซีโสมนัตสินซีย อุเบกขินรีนะแล้วก็มีสัตว์ทินรียเป็นต้นในระดับสูงไปแต่ว่าทุกอินรีย์ที่เป็นทุกขสัพว์เนี่ยอารูปประพรมเนี่ยตัดออกไปเยอะเนี่นทีนี้พรหมเหล่านั้นก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธาตุเนื่องจากไม่ใช่สัตว์เป็นต้นเนี่ยนะก็คือเป็นธาตุพอเป็นธาตุอย่างนี้แหละก็เรียกว่ากามมาธาตุรูปประธาต์และอรูปประธาต์ถ้านะเป็นภพตามสมควรแก่กรรมก็เป็นตามมาภพรูปประภพอรูปประภพ ถ้าพบที่มีสัญญาเจตสิกก็เรียกว่าสัญญาพบไม่มีสัญญาเจตสิกก็เป็นอสัญญาพบถ้ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็เป็นเนวะสัญญานาสัญญาสัญญาตัวนี้หมายถึงจิตอ่นะสัญญาตัวนี้หมายถึงยกจิตเป็นประธานถ้าเอกโวการะพบจะตุโวการะพบอันนี้หมายถึงขันเป็นประธานอ่นะสัญญาพบหมายถึงจิตเนียเอกโวหมายถึงขันถ้ากาม กามก็เน้นไปที่ธาตุหรือเน้นที่ภูมิเนยนะ